ช่วงหลังๆนี่มีคอร์สพวกที่ภาวนามานานๆเพชรฟังหลวงพ่อมานานแนะลมนนนะไม่ดีสักทีเ่ยอาจารย์ จ, จัดคอคร์สควบคุมควบคุมให้ปฏิบัติมันก็ดีขึ้น <c oughs> ทำไม่กลุ่มให้ภาวนาให้่ยหรือไงหรือเกิดจากความไม่เข้าใจตีประเด็นไม่แตกสิ่งที่หลวงา่สอนให้นี่นะตรงไปตรงมาพวกเราชอบตีความตีความแนละ้วมันก็าตามกิเลสแหละมันไม่เข้าเป้าสักทีไม่มีอะไรต้องตีความ ดลกายอย่างที่กลายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นไมิตีความอะไรอีกไม่ต้องนั่งสงสัยอย่างเมื่อก่อนหลวงปูด่ดวนสอนบอกให้หลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อพบว่าตัวเองไม่รู้เรื่องจิตเลยจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเกี่ยวกับจิต ที่แรกดูก็ดูผิดเหมือนกันนะตีคําสอนของหลวงปู่ดูลผิดเหมือนกันท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อเขาห้ปรุงแต่งจิตไปรักษาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ทั้งวันเนะลยทรงตัวเด่นดวงอยู่เลยหลวงปู่บอกทำผิดไปทํำไม่รอบนี้ถึงตีความของท่านออก บางทีมันก็ตีความผิดทั้งๆ ท, ที่พอพอนาถูกแล้วแทบเขกหัวตัวเองเลยว่าครูบาอจารย์ก็สอนตรงๆแล้วเราคิดมากไปเองนท่านบอกให้ดูจิตเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าให้ไปทำจิตให้ดีเราจะไปทำจิตให้ดีเราไม่ชอบจิตเลวดูจิตก็ดูไปสิไม่เห็นจะยากอะไรเลย จิตขณะนี้สุขก็รู้ทุ ก, ก็รู้นะดีก็รู้โลบโกรดหลงก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นนะดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็เห็นเองมันไม่เที่ยงนะมันถูกบีบคั้นอยู่ทุกๆอย่างเลยจิตสุขก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายนะจิทยลลตทุกก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายจิตโลภโกรดหลงล้วนแต่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายไม่มีหรอกจิตโลภนิรันดร จิตดีนิลันดอดไนไม่มีความจริงมันก็แสดงตัวให้เราดูอยู่ตลอดเวลาในคำพีมหายานชอบพูดบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดเลยฟังดูที่แรกก็ไม่เชื่อนะใครจะไปนั่งแสดงธรรมตลอดวัน ที่จริงคือธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเราฟังเป็นหรือเปล่าเท่านั้นร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจริงหรือไม่จริงเนี่ยความจริงของมันจิตใจเป็นของไม่เที่ยงจริงหรือไม่จริงหรือว่าเที่ยงบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ความจริงมันทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเราต่างหากไม่ยอมรับความจริง ของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงของบังคับไม่ได้อยากบังคับไม่ได้อยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีมีแต่คำว่าอยากเต็มไปหมดเลยพอมีความอยากขึ้นมามันก็ไม่ได้รู้อย่างที่เป็นแล้วนี้แต่มันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่อยากให้มันเป็นความชั่วเกิดขึ้นอยากให้มันหายไปดูมันเห็นจิตโกรธที่มันเงี้ยไม่ชอบทาไงจะหาย คิดแต่จะทำที่จริงแล้วง่ายจิตโกรธรู้ว่าโกรธสิดูห้วยตรงๆอะแต่อย่าจมลงไปในความโกรธนะดูลงไปที่ความโกรธแต่จิตไม่ไหลลงไปในความโกรธจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากของเรานะตรงข้ามกับของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่ไปฟังท่านแล้ว รูธรรมะขึ้นมาจะอุทานบอแจมแจ้งนักพระเจ้าข้าเหมือนกับเปิดของควาำให้ไงเหมือนจุดไฟขึ้นมาโดยหวังว่าคนซึ่งมีตาที่ตาไม่บอดเน่ยจะมองเห็นนี่มันเรื่องง่ายๆเรื่องธรรมดาความไม่ธรรมดาของเราเองตันหาของเรา ทำให้อยากได้ของไม่ธรรมดาธรรมดาร่างกายต้องแก่อยากไม่แก่ร่างกายต้องเจ็บอยากไม่เจ็บร่างกายต้องตายอยากไม่ตายเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักอยากไม่ให้พลัดพรากเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเราไม่อยากเจอเราอยากจะสมหวังอย่างเดียวไม่อยากผิดหวัง เราหวังอยากได้สิ่งซึ่งไม่มีจริงอยากได้ความสุขนิรันดรไม่มีจริงอยากไม่ทุกข์ไม่มีจริ ง, รงโลกนี้คือทุกข์เ ร, เราอยากได้ของที่ไม่มีก็ดินเป่งนะหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้แล้วบอกภาวนานมาตั้งนานทำไมไม่ได้สักทีไปดูเธอพวกที่ภาวนานานา น, า น, า น, นะดิ้นรนหาสิ่งซึ่งมันไม่มี ถ้าเรามาเรียนรู้สิว่าจริงๆมันมีอะไรอยู่รู้ว่านั้นลงไปจิตมันโกรธขึ้นมาเห็นมันโกรธจิตมันโลภเพื่มมาเห็นมันโลภดูซิมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ใช่ดูให้มันดับด้วยนะจิตมันสุขดูเข้าไปรู้ว่ามันสุขจิตมันชอบความสุขรั่ว่ามันชอบนะไม่ต้องแกล้งทาเป็นไม่ชอบนะเอาละเราจะอุเบกขาต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จิตของเราไม่อุเบกขาทำไมจะต้องอยากให้อุเบกขายอมรับสภาพอย่างที่มันเป็นจิตเราดีบ้างเลวบ้างเป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างดูมไปซื่อๆง่ายๆที่ยากเพราะเราเที่ยวแสวงหาสิ่งซึ่งไม่มีจริงเท่าไหร่มันก็ไม่เจอ ส่วนความจริงนมันอยู่ต่อหน้าต่อตาทนโทษนี้แหละไม่เอาไม่ชอบใช่หมเนาะดูลูกศิษย์เราเป็นอย่างนั้นป่ะเนะนของง่ายๆพวกคิดมากเวลาฟังธรรมนะจะไม่โอ้แจ่มแจ้งนะพระเจ้าข้าเหมือนเปิดของความให้หงายไม่มีมีแต่อุทานอ้ยลึกซึ้งจังเลย ลึกซึ้งจังเลยครับนะาตาโตโตะลึกซึ้งยิ่งคิดหนักกว่าเก่าอีกแทนที่จะรู้นะรู้สึกลึกซึ้งเป็นป ร, นรัชญาเนี่ยคําสอนหลวงปู่ดูละ <_ S 1> พวกลูกศิษย์เหงื่อสวยชอบไปบอกว่าเป็นปรัชญาธร ร, รรมของหลวงปู่ดูลปรัชญาประเย อ, อะไรสัรจจะหรปรัชญาคนละเรื่องเลยความจริงก็คือความจริงไม่ใช่เรื่องคิดคิดเอา ลึกซึ้งนักพระเจ้าข่านะที่จริงก็คือสับสนนักพระเจ้าข่างงฝังแล้วงงสับสนยิ่งกว่าเก่าฟังแล้วเหมือนทําของหงายให้กว้างทําของหงายให้กว้างคอมันเปิดเผยอยู่อย่างนั้นก็เป็นปุ๊บมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยคอมันอยู่เห็นเห็นอย่างนี้ ไปทำให้มันกว้างหรืออย่างเงี้ยของง่ายทำให้ยากของตรงไปตรงมาทำให้สับสนทำให้ซับซ้อนซื่ อ, อเรียนรู้ไปซื่ อ, อเวลาภาวนาเองนะมันย่อหย่อนเวลามาเข้าคง้งเข้าคอสยิ่งถ้าเก็บตังคนะ์น่าจะดีขึ้นนะ เรียนฟรีจริงก็ขี้เกียจนะถ้าเก็บค่าคอร์สเอาให้แพงเลยเรียกค่างโง่เดี๋ยวหลวงพ่อจัดสักคอร์สหนึ่งนะเก็บห้าแสนะอะโอ้เวลามาเรียนนี่จะตั้งใจมากเลยทุกนาทีไม่ให้คลาดหเคลื่อนเลย ขยันเรียนเรียกข้างโง่ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้ฟรีๆชี้เกียรเอาถ้าเสียตังค์แล้วเอาหายใจอยู่หรือเปล่ารู้ไหมว่าร่างกายหายใจยากไหมที่รู้ว่าร่างกายหายใจใครว่ายากลึกซึ้ง ร่างกายมันหายใจยังไงนะลึกซึมนะจัดงาวนะของง่ายง่ายง่ายง่ายงายร่างกายนั่งอยู่รู้ไหมพวกเรารู้ร่างกายนั่งแล้วนะตอนนี้ยังรู้ไม่ได้ต้อทำตัวเตรียมนั่งทำใจขรึม ร่างกายกำลังนั่งนะโอ้ยยุ่งนะของง่ายๆตอนนี้กำลังหัวเราะอยู่รู้สึกไหมเห็นร่างกายหัวเราะต้องวางฟอร์มไหมถึงจะรู้ว่าร่างกายหัวเราะต้องวางฟอร์มไหมถึงจะรู้ว่าร่างกายหายใจต้องวางฟอร์มไหมถึงจะรู้ว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่เห็นมีอะไรเลยของธรรมดาที่สุดนี่ยดีที่สุด ธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ดูเราไม่ฟังเราไม่สนใจเราหมัวแต่สแสวงหาสิ่งที่เราอยากไม่ยอมรับความจริงเลยของง่ายเลยยากหลวงพ่อเรียนกับหลวงพู่ดูลย์เจ็เดือ น, อนนะสามเดือนแรกเรียนผิดเรียนเพื่อเข้าไปควบคุมจิต ถ้าจะให้ดูจิตเราต้องดูได้ทั้งวันไม่ให้คลาดสายตาให้ดูดูไม่ให้หนีไปไหนท่านบอกผิดให้ไปดูใหม่หดูอยู่สี่เดือนคําว่าดูมันมีความหมายในตัวของมันอย่างเราจะดูหนังเนี่ยหนังมันเป็นยังไงเราก็ดูไปอย่างนั้นเราจะอ่านหนังสือหนังสือมันเป็นยังไงเราก็อ่านไปอย่างนั้นง่ายๆแค่นั้นนะ เราไปคิดอะไรซับซ้อนเกินไปทำยังไงถึงจะดูจิตได้นะคิดละจะทำยังไงถึงจะดูจิตได้รู้ไหมจิตกำลังสงสัยเนะี่ยง่ายเลยไหมจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยบางคนนะึกว่าหลวงพ่อพูดเล่นจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยที่จริงพูดตรงไปตรงมานะเหมือนที่หลวงปู่ดูลท่านสอนนะตรงไปตรงมา ให้คนฟังมันคิดมากมันก็เลยบอกท่านพูดเป็นปรัชญาอย่างหลวงพ่อบอกว่าสงสัยให้รู้ว่าสงสัยเป็นปรัชญาต้องตีความนะทาของง่ายให้ยากพ่อดูถูกอยู่สี่เดือนหลวงปู่บอกว่าช่วยตัวเองได้ละเข้าใจลนะเข้าใจสิ่งที่ท่านสอน ทุกอย่างในโลกนี้เป็นของโชคคราวไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเรากระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราของธรรมดาต่อไปนี้จะขี้เกียจอีกหรือเปล่าขี้เกียจแต่ให้รู้ว่าขี้เกียจจะมาบอกว่าไม่ขี้เกียจสั่งไม่ได้ จิตจะจขี้เกียจ ห, ห้ามไม่ได้นะเพราะฉะนั้นขี้เกียจก็ยอมรับไปตอนนี้ขี้เกียจแต่ไม่ใช่ขี้เกียจแล้ว เ, เลิกปฏิบัติท้อใจได้ไหมท้อได้แต่ท้อเรารู้ว่าท้อเนี่ยจันอายังไม่มาจานันะตอนเป็นโยมนะไปภาวนาที่วัดแห่งหนึ่งเรียนกับหลวงพ่อแล้วก็ไปภาวนาภา พ, พวกไปเจอเขาก็มาบอกหลวงพ่อบอกว่า ตอนนี้อาไปทําสวนท้ออยู่ไม่ทาทําไมว่าสวนท้อ <c oughs> นล้วเว่าไปปลูกต้นไม้จริงๆนะพี <c oughs> ่แท้ก็หลังท้อแต่ท้อเราก็ไม่เลิกท้อแล้วยังนั่งสมาธิเดินจงกรมที่ยิบอยู่อะไรเจอทั่งพระในวัดวัดป่านะพระในวัดเนะ่ ท่านทนไม่ได้ครูบาอาจารย์ทนไม่ได้โ ย, โยมขยันภาวนามากกว่าพระพระเนี่ยไม่ค่อยยอมภาวนาท่านเลยจับมานั่งรวมกันหมดทุกวันนั้นต้องนั่งเฝ้าเพภาวนางันหลวงอาก็เป็นคนที่ทำให้พระในยุคนั้นลำบากเหมือนกันนะ เคยนั่งกินนอนกินลู้ขึ้นดนินจงกรมภาวนาหามรุ่งหามคำ่ำพระโย์มันทำพระไม่ทำได้ไงพระที่นี่ก็เหมือนกันลกหลวงอาปกครองอยู่พาทำงานด้วยเลยนะไปลดต้นไม้ไปปลูกป่าป่าฝั่งโน้นสูงสักเมตรหนึ่งละต้นไม้ มีเขาเผาไร่เก็มาเผาปา่าของเราไปหนะึ่งในสามน้ำก็ไม่มีจะรดลำธารมันแห้งช่วงนั้นต้นไม้มันก็เก่งนะมันงอกขึ้นมาจากโคนใหม่นี่ขึ้นมาคืบหนึ่งนะมันก็อยากมีชีวิตรอดเหมือนกันเนี่ยหลวงอาพาทำงานนะพระเราทีแรกก็ไปทำทำไมนะ ผมจะภาวนาไม่ได้มาเพื่อจะมาลดต้นไม้หราลดต้นไม้นั่นแหละภาวนาคิดเหรอว่าการภาวนาคือการนั่งหลับหูหลับตาอยู่คนเดียวคิดเหรอว่าการภาวนาคือการเดินจงกรมอย่างเดียววันวันเดินอย่างเดียวการภาวนาก็คือการมีสตินะทำอะไรด้วยความมีสตินั่นแหละเรียกว่าเราปฏิบัติอยู่เราภาวนาอยู่ หลวงปู่มั่นถึงบอกว่ามีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่มั่นสอ น, นท่านพูดมาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรชอบนี่ทำอะไรเพียรทำลายอากุศลที่มีอยู่นะ เพียรปิดกัน้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำลายอากุศลที่กำลังเกิดแล้วให้ดับไปเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามแล้วทำยังไงอกุศลที่มีจะไม่มีที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดทำไงกุศลจะเจริญมีสติ งั้นก็ตรงกันทันทีที่มีสติอกุศลที่มีอยู่ดับทันทีเพราะอกุศลอยู่ร่วมกับสติไม่ได้ทันทีนี้มีสติอยู่อกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นทันทีที่มีสติกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะสติเป็นตัวกุศลแล้วมีสติบ่อยๆกุศลก็เจริญง้นตรงกัน สัมมาวายามะมีความเพียรชอบมีสติอยู่ตลอดถ้ามีสติก็ได้องค์ธรรมของสัมมาวายามะครบเนื่องที่หลวงปู่มั่นสอนนะีกับปริยัตินี่อันเดียวกันธรรมะมันอันเดียวกันของจริงมีสติคือมีความเพียรใช่ไหมความเพียรคืออะไรก็คือวายามะขาดสติคือขาดความเพียรขาดสัมมาวายามะ มีสติยากไหมไม่ยากหรอกถ้าฝึกสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นหัดดูสภาวะไปเรื่อยมีสภาวะอะไรดูก็ดูอันนั้นแหละไม่ต้องรอจรอนะดัจจริตอย่างได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตเราก็จะต้องดูจิตดัจจิริศเกินไป ดูกายได้ก็ดูกายดูเวทนาได้ก็ดูเวทนาดูจิตได้ก็ดูจิตถนัดอันไหนก็ อ, อันนั้นแหละทุกอันสอนธรรมะเรื่องเดียวกันสอนไตรักร่างกายแสดงใจรักไหมเวทนาสุขทุกแสดงใจรักไหมกุศลอกุศลแสดงใจรักไหมมันแสดงทั้งนั้นนะดูไปเรื่อยๆดูไปบ่อยๆ ถนัดดูตัวไหนเอาตัวนั้นเช่นถนัดดูกายหายใจออกรู้สึกตัวมีสติหายใจเข้ารู้สึกตัวมีสติไปต่อไปพอขาดสตินะแล้วจังหวะการหายใจเปลี่ยนอย่าพอกิเลสเกิดเนี่ยจังหวะการหายใจจะเปลี่ยนเราเคยหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกพอจังหวะเปลี่ยนปุ๊บสติเกิดเองเลยรู้สึกขึ้นมาเลยเฮ้ยเผลอนี่หว่า เคยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวขยับอย่างหลวงพ่อเทียนขยับไปมีสตินะไม่ใช่ขยับให้จิตสงบนะขยับให้มีสติแล้วต่อมาพอเผลอแล้วเกิดขยับร่างกายขึ้นมานะสติจะเกิดเองสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเลยหลวงพ่อตอนหัดียากหลวงปู่ดุลดูจิตเอาหลวงพ่อเป็นพวกชี้โมโหพวกโทสะจริต เห็นไหมวิธีพูดของพวกโธสัจจริตนะรวดเร็วรุนแรงหลวงพ่อไม่มาพูดกับพวกเราหรอกเจริญพรคลื่นไส้ตัวเอง <c oughs> นั่นแะเป็นพวกโธสัจจริตโทสะจเกิดบ่อยไม่เห็นจะเป็นไรเลยโกรธปุ๊ บ, ปปบรู้ปั๊บโกรธปุบ๊บรู้ปั๊บไปเรื่อยทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้ โกรธตั้งนานๆถึงจะรู้แต่มาพอขัดใจนิดเดียวก็เห็นละวว่จิตมันชํานาญมันดูโทสะบ่อยๆสติก็เกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ไปก็เห็นจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตโกรธจิตไม่โกรธแต่มามันเหลือแต่จิตไม่โกรธจิตโกรธไม่ค่อยจะมีให้ดูแล้วก็ดูจิตรู้ก็จิตหลงพอจิตหลงเนี่ยจิตมีโมหะ ละเอียดกว่าจิตโลภโกรดจิตจิตโลภจิตโกรดนี่หยาบกว่าจิตหลงจิตหลงเป็นโมหะละเอียดแล้วเราค่อยๆดูจิตใจในชะ่ไทีแรกเห็นแต่โกรดโกรดนี่เป็นกิเลสหยาบที่สุดดูง่ายที่สุดพระเจ้าบอกว่าโทสะมีโทษมากแต่ละง่ายทําไมละง่ายเพรเป็นเห็นโทษง่ายมันมองง่ายมันเกิดแล้วรู้เร็วง่ายราคะมีโทษน้อย แต่ละยากเวลาจิตมีราคาใช่ไมไม่ได้ลุกลานอะไรใครเพลินเพ่นินเช่นเพลอเลิเลนนั่งชมริมทะเลเห็นคลื่นกระทบฝั่งเพลินเช้ายันเย็นอเงี้ยมีโทษน้อยแต่ละยากเพราะว่ามันติดใจมันไม่เห็นทูกเห็นโทษโมหามีโทษมากแล้วก็ละยาก แต่ละยาก็ต้องละถ้าไม่ละก็เกิดอีกเกิดเพราะโมหะนะั่นแหละเพราะไม่รู้เพราะหลงมีวิธีที่เราจะรู้โมหะได้เร็วนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตเวลามันหลงไปพุโทโธพุโทโธอยู่ดีๆนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทัน หายใจไปหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันคือหายใจไปแล้วจิตจมลงไปในลมหายใจจิตเคลื่อนไปในลมหายใจรู้ทัดพอรู้บ่อยๆจิตจําสภาวะการเคลื่อนได้แม่นคือจําสภาวะโมหะความหลงความฟุ้งซ่านได้แม่นตัวที่จิตเคลื่อนเนี่ยเคลื่อนด้วยอำนาจของอุทัจจานะความฟุ้งซ่านเป็นโมหะแล้วจิตเคลื่อนปั๊บรู้ปั๊บเพื่อนปั๊บรู้ปั๊บไปเรื่อยนะ ต่อไปพอโมหะเกิดเนีจิตไหวตัวจะพุ่งออกไปแล้วเห็นละมันก็ดับปั๊บลงไปเลยไม่ต้องแก้ไม่มีอะไรให้ลจะจำไว้อย่างหนึ่งนะการปฏิบัติเนี่ยไม่มีการละกิเลสแต่จะไม่มีกิเลสให้ละเพราะมีสติอยู่กิเลสไม่มีเพราะงั้นไม่ต้องละหรอกที่มีกิเลสขึ้นมาเพราะไม่มีสติ ฝึกสติขึ้นมาแล้วไม่ต้องละกิเลสเพราะไม่มีกิเลสจะให้ละเนี่ย ง, ง่ายระหว่างละกิเลสกับไม่ต้องละกิเลสไม่เกิดอะ่ะไม่ต้องไปละมานะนะไหนจะสบายกว่ากันคนละโลกกันเลยมีกิเลสแล้วก็ต้องต่อสู้หยเนหน็ดเหนื่อยกว่าจะเอาชนะกิเลสนะเช่นเราเป็นคนขี้โมโหเราภาวนาทุกวันในแผ่เมตตาทุกวันทุกวันนะ จนกรทั่งความโมโหเนี่ยนะเงยหน้าไม่ขึ้นเลยสู้เราไม่ไหวอ้าพ้นกิเลสล่ะยัยง่งยังกําลังเกิดสภาวะกูเก่งอยู่นี่ก็กิเลสนะเห็นไหมงั้นคิดจะสู้กิเลสเนี่ยมกักจะแพ้กิเลสสู้มันไม่ได้หรอกกลายเป็นกูเก่งซะเฉยๆเลยถ้ากูเก่งแล้วต่อมากิเลสแรงขึ้นม่อีกโอ้ทําไมกูโง่งี้วะ โหดหูอีกแล้วเนี่ยเป็นไหมงัดูไปอย่างที่มันเป็นของง่ายๆนะมีอะไรหรอกวันนี้หลวงพ่อยังหายใจไม่ค่อยสะดวกเป็นบัตรมาสิกบกว่าวันแล้ว เราไปทำเอาเองนะไปภาวนาเอาช่วยตัวเองในวันนี้หลวงพ่อสอนได้เท่าเนี้นะหายใจไม่ออกแล้วใครมีอะไรจะถามไปถามผู้ช่วยสอนหลวงพ่อผลิตผู้ช่วยสอนขึ้นมาตั้งมากมายง้นให้เขาช่วยไปวันนี้คนที่ช่วยสอนได้ก็มีเยอะนะไปหาเอาเองก็แล้วกัน แต่อย่าไปหาผิดคนนะบีงคนอยากสอนนะเยอะบางคนบาวนาไม่เป็นหรอกเชิญนิมนต์เลยครับ